ก็จะเป็นหลักสูตรของการนั่งสมาธิเป็นหัวข้อที่ห้านะจ๊ะเพื่อเป็นหลักสูตรของการนำพาดวงจิตทุกๆดวงจิตที่ปัตนาน้อมเข้ามาค้นหาตัวตนบรรพินปัติบัติหลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่าดวงจิตมาจากไหนมีหน้าที่มาทำอะไร ไขรหันชีวิตยังมีการนั่งสมาธิเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ไปตรวจพิสูจน์ในคำสอนที่เราได้นำมาเผยแผ่นี้ด้วยตัวของท่านเองหากท่านผู้ฟังผู้ใดที่ตั้งใจจะนั่งกรรมาฐานเพื่อค้นหาตัวตน ก็ขอให้ท่านทำตามคำแนะนำต่อไปนี้นะจ๊าให้นางกัดสมาธิและแบมือทั้งสองข้างวางไว้บนหัวเขา่าให้หายใจลึกๆผ่อนคลายจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยกตัวตัดขึ้นมาตัดอดีตที่ผ่านมา เพราะว่ามันผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรมันได้ส่วนอนาคตยังไม่ต้องเป็นเรื่องถึงมันเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปความสับสนวุ่นวายหน้าที่การงานความทุกข์นิสิตทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ยกออกไปไว้ก่อนนะอย่าเพื่องออกมาพนกับตนแล้วก็หายใจลึกๆทำใจสบายๆเหมือนขบ้าเรากำลังจะไปเที่ยวอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกสงบสุขที่จะมีความอุดมสมบูรณ์หลุดพ้นจาก คาทุกทั้งหลายและมนตั้งสมมติฐานว่ามีลูกแก้วเสตไอยู่ในท้องของเรานึงลูกแลให้หมองลูกแก้วนั้นทุกคนเห็นลูกแก้วแล้วนะจ๊ะดูลูกแก้วในท้องของตนเองนะแล้วก็หายใจ ลึกๆมองดูลูกแก้วแล้วก็ใช้คําบริกรรมว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธาปัจจิมาสัมพุท ธ, ธาสูเข้าไปไวในท้องไวในลูกแก้วใส่ๆที่มีอยู่ในท้องนะจ๊ะสัมมาสัมพุท ธ, ธาปัจจิมาสัมพุท ธ, ธา เข้าไปไว้ในท้องสำ ม, มาสัมพุท ธ, ธาปัจฉิมาสัมพุท ธ, ธาสูตรเข้าไปไว้ในท้อง ส, มมสมธธัมาสำพุทธาปัจฉิมาสมพุท ธ, ธาสูตรเข้าไปไว้ในท้องและในขณนะที่เราใช้คำบริกรรมนี้สูตรเข้าไป ก้อยทำท้องของเรายุ่แล้วก็ดูพลังนั้นเข้าไปทําแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าในท้องของเรานั้นเริ่มเกิดพลังอัดแน่นเข้ามาแน่นเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นพลังที่เย็น เป็นพลังที่หนุนขึ้นมาเรื่อยๆในท้องก็จะนุนมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ใช้ควาวิกรรมนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นบนฝ่ามือเหมือนกันกับแสงสว่าง ที่เกิดขึ้นในท้องเราก็ยังหงอท้องไปเรื่อยๆนะจ๊ะจิตต้องจองอยู่กับรูกแกวในท้องและแสงสว่างในกลางเมอหากว่าเราส่งจิตไปที่ไหนเท่ากับคาบริกรรมที่เราบริกรรมหนึ่งคนั้นพลังนั้นก็จะส่งไปอยู่กับที่นั่น ไม่ว่าเราจะชา้าไปนานขนาดไหนพลังก็จะไม่เต็มสักทีนะจ๊ะและในขนาดที่เรานั่งยู่นั้นก็จะมีภาพอื่นๆมีสิ่งต่างๆที่แทรกเข้ามาในจิตของเราเพื่อเป็นตัวตัดกำลังบารมีที่เราน้อมอย่าไปสนใจนะจ๊ะ ไม่สนใจลูกแก้วที่อยู่ในท้องก็พอไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปเจ็บจ่ออยู่กับมันเพราะการที่บริกรรมสัมมาสัมพุทธาปชิมาสัมพุทธาหนึ่งครั้งนี้ก็เท่ากับได้พลังบารมีมาหนึ่งแต้ม จิตเราไปสนใจอยู่สิ่งอื่นปุ๊บคะแนนนั้นก็จะไปตกอยู่ที่สิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตนให้มีกำลังก่อนถ้าตัวของเรานั้นยังไม่มีกำลังเราก็ยังช่วยแคลกไม่ได้พึ่งไม่สนใจอะไรนะจ๊ะเอาละทำบริกรรมไปเรื่อยๆนะจ๊ะ สัมมาสัมพุทธาปชิมาสัมพุทธาน้องก็ไปเก็บไวในท้องสัมมาสัมพุทธาปชิมาสัมพุทธาพลังบลมีเย็นเย็นลงมาจากดินแดนพระนิพพานจะองคพระสัมมาสัมพุทธา แล้วก็น้อมลพลังนั้นไว้แล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะรู้สึกพออึดประโอมอยากจะอาเจียนออกมากไม่ต้องไปสนใจนะจะขับออกไปด้วยพลังบารมีแสงพลังบุญที่เรารับมานั่นเองนะจะค่อยๆคลายออกไป บางคนก็จะรู้สึกตัวเบาโยใจยโยว่าก็ปล่อยให้มันโยกไปตามนั้น จ, ะจะ้าใจอมริกรรมไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธธาปัชิมาสัมพุทธธาสูตรเข้าไปไว้ในท้องทำไปเรื่อยตอนนี้ก็จะมี สีแสงสว่างเกิดขึ้นที่ข้างหน้าของเรากายก็จะมีกายที่ซ้อนกายจะเปล่งออกมาบางคนก็อาจจะเห็นเป็นกายไซส้แต่ก็อย่าพึ่งไปลงนะจ๊ะอย่าพึ่งลงกับสิ่งที่เห็นอย่าพึ่งไปสนใจมันทำไปลึกๆก่อน สัมาสัมพุทธสูดไปในทองสัมาสัมพุทธปัปชิมาสัมพุทธาสูดเข้าไปในทองสัมมาสัมพุทธปัปชิมาสัมพุทธสูดเก้าไปในท้องนะจ๊าอาจจะรู้สึกว่าตัวเบาลอยอยู่ ก็ปล่อยสภาวะรมนั้นไปอย่าเพิ่งไปสนใจนะฮะบริกรรมไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเมื่อจิตของเราฟุ้งไปที่ใดเราก็ดึงกลับมาอย่าให้จิตไปเจาะอยู่สิ่งนั้นๆ น, น, นะจ๊ะดึงกลับมาแล้วก็บริกรรมต่อไปเรื่อ ย, อยสัมมาสัมพุทธาปชิมาสัมพุทธา สมาสัมพุทธาปจิมาสัมพุทธาดื่นเข้ามาไว้ในกายของเรานะทีนี้ร่าง ก, กายก็จะใสแล้วเมื่อกายของเราเกิดความรู้สึกใสๆอยู่ในกาย สำรวจร่างกายของเราไปนะจ๊ากระดูกสันหลังโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะยันเทา้าแขนขาเมื่อเห็นร่าง ก, กายมีแต่โครงกระดูกแล้วยังคงใช้คำบริกรรมไปเรื่อยๆพร้อมกับพิจารณาร่างกายของเรานั้น ไปเรื่อยๆ เ, เมื่อเห็นกายของตอนนั้นเป็นแต่ซากกระดูกแล้วเป็นผีกระดุกที่ไม่มีค่าอะไรเมื่อใครที่เห็นโครงสร้างของตอนนั้นเป็นกระดุกแล้วก็ให้ลองหันดูอีกมุมหนึ่ง ของสภาวะจิตจะเห็นร่างกายของตนอี ก, อกร่างกายนะที่เขาเรียกว่าเป็นกายที่ซ้อนกายอยู่นะบางคนอาจจะเป็นสีสว่างบางคนอาจจะเหมือนร่างกายเลยเหมือนกายที่เรามีอยู่นี้เลยบางคนก็จะเป็นแก่ไใส์บางคนก็จะเป็น ลูสีบ้างเป็นนักบวชบ้างแล้วแต่ภวามจิตของแต่ละคนที่มีกายเป็นไหนที่สอนอยู่เป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนั่นแหละเขาเรียกว่ากายเป็นไหนกายที่เป็นกายของเราที่สอนอยู่กายข้างในและกายนี้เกิดมาจากไหน การนี้ก็เกิดมาจากการสร้างสมบูรณ์บารมีของจิตที่เปล่งพลังออกมาให้เป็นกายของภูมิแต่ละภูมิแล้วเมื่อเราแยกออกมาได้สองกายแล้วกายหนึ่งก็คือกายเนื้อที่เป็นโครงกระดูกตั้งอยู่ตรงหน้าเราอีกกายหนึ่งก็เป็นกายที่มีแสงสว่างกายของเทพเทวดานางฟ้า เราเห็นชัดแล้วว่าเป็นสองกายแล้วก็ให้ใช้ควาบริกรรสมาสัมพุท ธ, ธาปจิมาสัมพุท ธ, ธา ส, มาสมธธาัมาสัมพุท ธ, ธาปจิมาสัมพุทธาสัมมาสัมพุทธาปจิมาสัมพุทธาไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคน ห, หันหลังใส่โครงกระดูกของตนนะจ๊ะจากที่โครงกระดูกของตนนั้นอยู่ตรงน้าแล้วก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่งโดยมีกายที่ซ้อนกายอยู่นะั้นเป็นตัวหันออกไปนะจ๊ะแล้วก็มองขึ้นไปเหนือใีรั่ของตนขึ้นไป จะมีแสงสว่างเจิดจ้าเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกายทิพย์กายแก้วใสๆนั่งอยู่บนบัรลังบัวเหนือศีรษะขึ้นไปให้ทุกคนเอากายเป็นนายนมมืออธิษฐานจิตขอขมากรรม โดยใช้จิตข้างในขอขมากรรมแล้วก็ให้กล่าวตามว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกลาวขอขมากรรมกรรมอันใดที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยก่อมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยหนุนนำพระบารมีให้ข้าพระพุทธเจ้านั้นได้หลุดพ้นจากกรรมนั้นนั้นและขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้รับอลังบาลมีจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโส ก, กายทิพย์กายเนื้อจิตของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงพิสูจน์พระธรรมคำสอนท่องเที่ยวไปสู่ อนิพานสวรรค์บาดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีหูทิพย์ตาทิพย์เปิดตาของกายภายในเปิดหูของกายภายในเปิดจิตของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ได้เข้าถึงซึ่ง พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดแล้วก็เอาความรู้สึกกลุ้มกลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพร้อมๆกันโดยใช้คำบริกรรมเช่นดังเดิมนะจ๊ะสัมมาสัมพุทธาปิชมาสัมพุทธา สมาสัมพุท ธ, ธาปชิมาสัมพุท ธ, ธาสัมาสัมพุท ธ, ธาปชิมาสัมพุท ธ, ธาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานจิตออาตามที่ตนนั้นปรารถนาจะไปนะจ๊ะใครปรารถนาที่จะไปเที่ยวสวรรค์ ก็อธิษฐานจิตให้กายเป็นนนั้นปลายทางของสวรรค์นะจ๊ะกลายพัฒนาไปเที่ยวบาดาลก็อธิษฐานจิตไปเที่ยวเมืองบาดาลเมืองของพญานาคไปตามเส้นทางที่จิตกายไปในของเรานั้นพัฒนาจะไปพบไปเห็นหรือว่าถ้าใครพัฒนาจะเห็นกรรม ที่ตนนั้นได้เกาอมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมชั่วกรรมดีอันนี้ส่งบุญทานดิศได้สร้างสมนั้นไปเกาเกิดเป็นอะไรกรรมที่ตนนั้นได้กระทาเป็นกรรมชั่วจะส่งผลอะไรถึงตนควรแก้ไขยังไง อธิษฐานจิตรู้เห็นตามคอาเป็นจริงด้วยบารมีจากพาระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ท่านก็ยังนั่งอยู่บนบารังบัวแก้วท่านกำลังส่งพลังบารมีเย็นเยนลงมาให้กับพวกเราทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะไปเที่ยวแล้วตามกำลัง เด็ดของแต่ละคนแล้วก็ใช้ค่ำบริกรรมไปเรื่อยๆใครที่เห็นภาพเหตุการณ์กันเ่อที่ได้ก่อมาในอดีตก็ดีผ่านมาก็ดีก็ให้แผ่บุญให้เขาเยอะๆแผ่ในฌานสมาธินี่แหละจะได้บุญเยอะมาจะได้เป็นหนุนนำเขา เราสามารถที่จะกำหนดจิตแล้วก็นั่งเชยๆอยู่ตอ อ, อนหน้าองค์สมาสมาธรรมบุธรจามแล้วก็แผ่บุญไปให้จิตวิญญาณต่างๆแผ่บุญไปให้บิดามานดาคูพาจารพ่อแม่พี่น้องเจ้ากรรมในเวทนาในฌานสมาธิด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครพัฒนาจะไปเที่ยวก็ สบายตามกำลังพลังบารมีที่ได้รับมาหลายคนที่จะไม่ไปเที่ยวจะนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่แผ่บุญก็ได้เอาบุญให้เต็มกำลังก่อนแสงสว่างที่เราได้รับมาสู่กายที่สอนกายแล้วก็สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนั้นคือพลัง การนำาจากองค์มสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้บรนดานพุทธบารมีจักแสวงพลังเพื่อมาดังจิตของทุกคนให้เข้าสุ่ฌานสมาธิตอนนี้พวกเราทุกคนได้มาอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโลกของความสงบสุขโลกของพระพุทธเจ้าดินแดนความสงบสุข เรามาด้วยกายที่ซอนกายมาด้วยจิตเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเป็นสุขอยู่กับสิ่งที่ตนเป็นเราจะไม่สนใจกับเสียงที่กระทบเข้ามาไม่สนใจกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาละผ่านไปก็จะมีความสุขดยู่ในชานของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ ทำกันไปตามก่อนปัญนาของทุกๆกคนนะจ๊ะอาจารย์เองก็ขอให้ทุกคนได้รู้เห็นตามความเป็นจริงและหลุดพ้นจากบวกก่วงกรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการที่เราได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ากาย ที่เป็นกายเนื้อนั้นมีกายที่ซ้อนกายอยู่และมีหูมีตามีร่างกายที่ไม่เหมือนกายเนื้อซ้อนอยู่ก็จะเป็นตัวตัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นในทรัพสมบัติที่เราควนควายเหนื่อยทุกลาําบาก มาตลอดเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดๆทั้งหลายเมื่อเรากลับมาสู่โลกแห่งความสงบสุขแล้วเราก็จะมีปัญญารู้เห็นมองเห็นสิ่งของเหล่านั้นเหมือนก้อนหินไม่มีค่าอะไรสำหรับเราเลยท่านทั้งหลาย การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเรานี้เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่จะเกิดหรือไปเพื่อทำมาลาหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้นเองอย่ามัวแต่ไปหลงไปสุขไปทุกข์กับสิ่งต่างๆล้วนนเลยเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วให้มาดูนดูชีวิตของแต่ละคน ตั้งแต่เกิดมาจนแกและตายถ้ารวมรวมมาแล้วคนที่มีอายุไขมากที่สุดก็ร0อยปีหนึ่งวันสั้นแป๊บเดียวแค่นั้นเองก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีแป๊บเดียวก็ผ่านไปและอายุไขของคนเรานะ เต็มที่ก็อยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีอย่างเก่งก็ร้อยปีแต่คนที่อยู่ได้ถึงร้อยปีทำอะไรได้บ้างหลังจากอายุเจ8ดสิบแปิไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนอนละบานอนรอวันตายเจ็บปวดทรมานรอร่มอะไร ลมหายใจจะสิ้นแค่นั้นเองและต้ง้งแตกเกิดจนอายุสิบห้าสิบหกบคนยี่สิบก็ยังไม่โตช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เร า, าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนอื่นจะเป็นใครพ่อแม่เรานั่นแหละสร้างความเดือดร้อนให้ท่าน ท่านต้องทุกต้องลาบากต้องหาให้เรากินต้องเลี้ยงต้องดูต้องหวังสรพัดที่จะสร้างความทุกให้กับท่านถ้าเป็นเด็กดีๆก็ยังไม่เท่าไหร่ยังได้าำลักใจให้ได้ความดีไปตอบแทนบางคนก็ทื่อไม่เชื่อฟังพ่อแม่เถียงพ่อแม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะมากมาย จบแล้ว20ปีเราก็ทมำอะไรไม่ได้ตัดออกไปจากเกิดจน20ปีแล้วก็จาก70ไปถึง100ปีตัดออกไปแล้ว50ปีแล้วถ้าคนเรามีอายุ100ปีตัดออกไปแล้ว20ปีตัดออกไปแล้ว50ปี เหลืออยู่ห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีนะไปคิดเป็นตัวเลขปีหนึ่งมีกี่วันสามร้อยกว่าวันถ้าร้อยปีมันก็แค่สามหมืนกว่าวันห้าปีก็เหลือหมื่นกว่าวันสองหมืนวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงนะเราได้ทำความดีบ้างแล้วหรือยัง แล้วได้ทำอะไรไว้บ้างหรือเปล่าเป็นความดีนั่นแหละเวลาของคนเรามีอยู่แค่นั้นเองทุกวันนี้ในวันเดียวแป้มเดียวก็วกหมดไปแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยหนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงตัดเวลากล้งคืนออกไปก็เหลือน้อยลงไปอีก แล้วเรานะมีเวลาไม่มากพอนะจ๊ะยิ่มัวแต่ลงทุกอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นตัวลอ่อเป็นตัวดบจิตของเราให้เป็นหลงหยุดทุกอยู่ทุกไปก็เท่านั้นเหนื่อยไปก็เท่านั้นควันควายไปก็เท่านั้นสร้างพลังบุญในกรอบจิตของเราขึ้นมา ทำแต่พอมีพอเพียงกินใช้จา่ายตามให้ตามปัจจัยมีก็แค่พอดีพอควรทำอะไรก็ได้ให้เราเป็นสุขอยู่ในจิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเราถ้าควันขวายงานไปสร้างบุญทั้งนั้นต้องทำให้ได้เป็นบุญใหญ่ต้องทำให้ได้ ไ, ดไม่ต้องทำนั่นเลยเป็นตัวทุกข์ ทำบุญแล้วเป็นทุกข์มันก็ไม่ได้บุญอะไรหรอกนะจ๊ะเราทำบุญแล้วเราก็ต้องมีความสุขไม่ต้องไปคิดหรอจะต้องทำแบบนี้เพื่อให้ได้ทำแบบนั้นมันเป็นบุญใหญ่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำสิ่งต่งตางๆทั้งหลายนั้นมันจะมาของมันเองเมื่อจิตของเราพร้อมแล้วเราต้องสร้างพุนพรม สร้างฐานสร้างกำลังบุญบารมีความสุขมาจากในจิตก่อนต้องปลูกความสุขข้างในจึงจะงอกออกไปข้างนอกถ้าเราไปปูกบข้างนอกให้งอกมาข้างในเราไปเลือกทางผิดถึงแม้จะได้มาเราก็ไม่ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเมื่อเรานั้นปรารถนาที่จะทำจริงใด จงจําไว้เส ม, มอว่าทาํำแต่สิ่งที่อยู่ในกรอบเขตของตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองแค่นั้นทุกกิริยาบททุกการกระทํำอย่าต้องให้เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็อย่าให้เบียดเบียนตัวเราเองด้วยเดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปไ สร้างคุณงามความดีตามที่เรามีกําลังบารมีนั่นแหละจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริงดันความยึดมัน่นถือมันไม่หลงอยู่ไม่โดดไม่โลภนั่นแคือสิ่งที่ไม่หลงทำเมื่อเราดับจากกายสังขารโคงกระดูกที่ตั้งอยู่นั้นได้แนละ้ว ตายของเราก็จะเลืนไปสู่จุดที่มีความสุขนะยังแท้จริงเป็นจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงไม่ต้องมน า, ง า, มานั่งทรมานเหนื่อยทุกคนเราถ้าไม่รู้จักพ อ, อยังไงมันก็ทุกมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านก็ทุกอยูด่ดีมันหาความสุขไม่เจอแล้วฉะนั้น ความสุขอยู่ที่ใจของเรานะจ๊จะพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนอาจารย์ว่าความสุขอยู่ที่ใจถ้าเกิดใจเรานั้นเป็นน้อมอะไรเข้ามาอันนั้นก็จะอยู่ใน ใ, นใจของเราเนะป็นน้อมเอาความทุกข์มาความทุกข์ก็อยู่ใน ใ, นใจเป็นน้อมเอาคนนู้นคนนี้คนนั้นปัญหาตรงโน้นตรงนี้เข้ามาไว้ในใจ มันก็จะอยู่ในใจเราไม่ต้องไปน้อมเอาสิ่งที่เป็นทุกข์มาไว้ในใจของเราเราน้อมเอาแต่ความสุขไว้ในใจความสุขคืออะไรความสุขก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองทำตามที่กําลังที่เรามีอยู่ทาแต่พอดีพอควรไม่ได้สนใจกับสิ่ง ใ, ใด ที่เป็นองค์ประกอบการเติมแตกแตกเติมขึ้นมาความสุขก็คือการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ว่าจะพอใจในสิ่งของข้าวของพอใจในสิ่งที่กำลังที่ตนมีอยู่ยเช่นหวังดีจะไปทำบุญปัฒนาที่จะมีทรัพยเยอะๆไปสร้างบุญสร้างกุศล ถึงวันจะหวังดีจะหวังผิดทางหวังมากเกินไปหวังด้วยความโลภหวังด้วยตัณหาตัณหาพาธรรมโลภความโลภพาทรรมจิตนั้นก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขแล้วก็น้อมทุกเข้ามาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างน้อมเอาความสุขความสุขที่บริสุทธิ์ก็คือกานเดินทางสายกลาง แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยจะเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจา้าทป็สอนนาจานว่าจิตของเรานะ่ก็<อ>เหมือนกันกับแม่เล็กต้องทำแม่เล็กดุนของเราอยู่ในจิตให้มีความสุขให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตนั่นแหละและไม่ต้องไปอยากจนเป็นทุกข์ให้เราสุขอยู่ในจิตทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่าง เทพเทวาสภาวะธรรมจัดสรรให้ไปเป็นไปเองให้เราทำได้เองโดยที่เราตะเบกหวนคว้าดิ้นลนประกาศหาตามหาเราจงทำแต่สิ่งที่เราควรจะทำไม่ได้ไหมายถึงว่านั่งงอเบืองงอเท้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นทางสายกลางก็คือ ตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่ถึงเวลานี้ควรจะนั่งสมาธิก็ทำไปควรจะเป็นประกอบกิจาการงานใดๆก็ทําไปตามใหตตามปัจจัยทุกกิริยาบุตเราทําไปด้วยความสุขไม่เป็นทุกไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเรานั่นแหละก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็คุยกันมานานนั่งสมาธิก็นานแล้ว ขอให้ท่านทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขสุขเกิดขึ้นในจิตเป็นพลังบุญพลังบารมีเป็นคำนวณทกอย่างคนเราถ้ามีบุญตัวเดียวแค่นั้นนะจะมีพลังที่จะทําสั้นสิ่งอื่นๆเป็นองค์ประกอบขึ้นมาก็ขอให้ทุกท่านนะจ๊ะพอความสุขในจิตแล้วก็ทั้งทางโลกทั้งทางสาเร็จ ในจิตทุกๆคนนะจ๊ะ